ผู้ใดก็ตามเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ตลอดหปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหเดือนห้าเดือนสี่เดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเจดวันเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผลทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกะและปริเทวะเพื่อความดับศูนย์แห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานผลทางนี้คือสติปัฏฐานสี่อันนี้ส่งอันเป็นผลข้างเคียงจากการเจริญสติปัฏฐานรวบรวมคายืนยันของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่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 ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปฐานสี่เหล่านี้ทิพพโสตสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้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 เราย่อมรู้จักปฏิปทาอันให้ถึงประโยชน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้นานาทาตุสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้ธาตุเป็นอเนกและโลกธาตุต่างๆ ต, ตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้อาิมุติสูร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 เราย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเพราะได้เจริญได้กระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เหล่านี้วิชาสูตรที่สดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันทาลายอาสวะคือกิเลสหมักดองในคันทะสันดาน